ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นสตตะปัพาปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมา ร, าราธิรติตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นนิสกิยาปยติในปัตตวัคที่สามกระดับด้วยสิกขาบทสิทธิปัตตสิกขาบทที่หนึ่งความว่า บาตเป็นอติเรกคือยังไม่ได้อธิษฐานยังไม่ได้วิกัปปิสุ พ, พึงเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งเมื่อปิสุ น, นั้นเก็บบาตนั้นไว้ให้เกินสิวันไปไม่อธิฐานและวิกัปเสียอารุณ์ที่สิบเอ็ดขึ้นมาบาตนั้นเป็นนิสกีต้องอบัตตาจิตตี 1. บาตมีสออย่างที่ใช้ได้เนี่ยนะคือบาตดินกับบาตรเหล็ก กรอบด้วยประมาณเป็นสมณส า, ารูปแล้วจึงควรอดิษฐานและวิกัปประมาณบาทและอดิษฐานวิกัปจากกล่าวข้างหน้าและวินิจฉัยนอกนั้นเหมือนปฐมกฐินสิกาบทเป็นอะไรปฐมกฐินสิกาบทกายวาจาและวก็กายวาจาจิตเป็นอาคีริยาโนสัญญาวิโมกอาจิตกาตันติวัชะ ก, กายกรรมวิจิกรมมีจิตจามีเวทนาสารเหมือนกันส่วนข้อที่สอง โอนะปัญจพันธะนสิกขาบทที่สองความว่าบาดแตกร้าวยาวสองนิ้วชื่อว่ามีที่ผูกแห่งหนึ่งพพ็กตุใดมีบาดมีที่ผูกยังไม่ครบห้าแห่งและขอบาดใหม่อื่นแต่คนที่ไม่ได้ภา ร, รณาหรือว่าไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นคนปาวณาบาดน้นที่ได้มาเป็นนิสกีต้องป่าจิตีเพ็กตุนั้นพึงเอาบาดน้นเสียสดาใน่ามกลางสงอย่างเดียว ทรงทั้งปวงพึงถือเอาบาตรของตนของตนไปสู่ที่ประชุมแล้วสมมุติทิกตุผู้พร้อมได้องค่าขึ้นเป็นผู้เปลี่ยนบาตรที่ตุผู้ได้สมมุตินั้นพึงเอาบาตรที่เสียสละนั้นถวายแก่พระมหาเถระเอาบาตรของพระมหาเถระถวายแก่พระอนุเถระเปลี่ยนดังนี้ตามลำดับลงไปจนถึงทิกตุผู้เป็นสังฆนวกกะนั้นผู้ที่นั่งที่สุดอาสนะแล้ว เอาบาตของที่ตุผู้เป็นสังฆานวกักการนั้นให้แก่ที่ตุผู้สละบาตนั้นแล้วกำชับว่านี้แลบาทของท่านท่านจงบริโภคกว่าจะแตกเถิดอย่าสละทิ้งเสียอย่าให้ผู้อื่นเสียปฏิบัติอย่างนี้แลเป็นความชอบยิ่งในบาทนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีบาทอย่างไม่ครบห้าแห่งที่จะต้องผูกทาาใจบาทอื่นใหม่แต่คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนาท์ทขอมาก็ต้องมา ส, สละในทานกลางสง ต่อไปสิกขาบทข้อที่สามเพศสัจฉิสิกขาบทเพศสัตวห้าอย่างคือสติเนย์ใส น, นวานิตรเนยข้นเตลังน้ำมันหมูเป็นต้นมะทูน้ำผึ้งผางนิตรังก็น้ำอ้อยเป็นยานะแก้โรคผอมเหลืองหรือว่าฉันอาหารไม่ได้ถ้าน้ำอ้อยนี้จะไม่ป่วยต้องละลายน้ำฉันถ้าป่วยก็เคี้ยวได้เลยจะเป็นน้ำอ้อยงบไม่เป็นไข้ก็ดีจะพึงบริโภคได้ในการทั้งปวง ว่าต้องมีเหตุหน่อยเพศัตตทั้งห้านี้พิกตุรับประเคตแล้วพึงสั่งสมเก็บไว้ฉันเพียงเจ็ดวันเท่านั้นเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิกตุไว้เพสัตนั้นให้เกินเจ็ดวันอรุณที่แปดขึ้นมาเป็นนิสกีต้องอบัตไปจิตตีนับตามเพศัตนั้นถ้าเก็บไว้ในภาชนะอันเดียวเนื่องกันก็เป็นอบัตตัวเดียวถ้าไม่เนื่องกันก็นกเป็นอบัตตามวัตถุนั้นในข้อนี้จะกล่าวพิจารณาเบื้องหน้า ยาทั้งห้าอย่างนี้เป็นนิสขีเสียสละแล้วได้กลับคืนมาจะบริโภคในกายมีการทาแผลเป็นต้นหรือวกลืนกินไม่ควรพึงน้อมเข้าไปในประทีปและผสมขมเมาทาในที่ที่มือและกายจะไม่พึงถูกต้องเพียกตัวอื่นไม่ใช่เจ้าของจะบริโภคทากายควรอยู่จะกลืนกินไม่ควรยาทั้งห้าอย่างนี้ สิ่งใดพิษถูกเสียสละให้อนุสัมพันธ์ขาดแล้วในภายในเจ็ดวันได้กลับคืนมาอีกจะกกลืนกินก็ควรต้องสละกรอนเจ็จวันอย่าทั้งห้าอย่างนี้พิษถูกรับประเคน้วยคิดจะกกลืนกินแล้วไว้ให้เกินเจ็ดวันไปจึงเป็นนิสสกีถ้าไม่คิดจะกลืนกินจะเอาไว้ทาแผลเป็นต้นถึงล่วงเจ็ดวันไปก็ไม่เป็นนิสสกีวินิจฉัยนอกนั้นทั้งองค์และสมุทานก็ให้รู้เหมือนกับ ปฐมปฐินก็คือมีสุธฐานสองเหมือนก า, กายวาจาอย่างหนึ่งกับกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นอกิริยาก็คือไม่สละแล้วก็โนสัญญาวิโมกข์จิตตะปันนติวชัชชะกายกรรมจีกรรมจิตตาเวทนาสาเหมือนกันในวสิกาสาธิกาิกขาบทที่สี่ความว่าแต่แรงขํามหนึ่งเดือนเจ็ดจนถึงเพนเดือนแปดสองตักนี้ ชื่อว่าเป็นเดือนหนึ่งปลายฤดูร้อนเป็นเขตที่จะแสวงหาผ้าวัสิกะสาติกะชีวรภาพน้านําฝนให้พิสุพึงแสวงหาคือเตือนสติในทายกที่เคยให้มาแต่ก่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นการแห่งผ้าวัสิกะสาติกาแล้วตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งเดือนแปดจนถึงวันเพนเป็นกึ่งเดือนแห่งปลายฤดูร้อน เป็นเขตที่จะทําผ้าอาบน้ําฝนที่สแสวงหาได้มาแล้วนั้นและเป็นเขตที่จะนุ่งห่มด้วยแต่ยังไม่เป็นเขตที่จะอธิษฐานตอนแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนแปดไปจนสิ้นฤ ด, ดูฝนจึงเป็นเขตที่จะอธิษฐานก็นแลยังไม่ถึงปลายฤดูร้อนเดือนหนึ่งที่สุ ด, ดวนสแสวงหาผ้าอาบน้ําฝนเสียตอนได้มาผ้านั้นเป็นนิสกฐีต้องปาจิตตีสมัยนี้ก็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 ให้วินัยทรนจับตามราคาของแต่ว่าถ้าสําคัญว่าเป็นของตนอันนี้ก็ต้องอ บ, บัตในข้อนี้คือไม่ต้องอบบัตสาราชิกหรือวัตถุระใจต้องอัประยตุตีแต่ถ้าเกิดสละเถิดขาดแล้วก็รู้ว่าเป็นของคนอื่นแล้วก็อยไปชิงเอามาก็อ บ, บัตอธินาทานสิกขาบทข้อนี้เป็นสารนิติกะนะใช้คนอื่นเขาไปชิงเอามาก็เป็นอ บ, บัต ด, ด้วยมีองค์ห้าก็คือผ้ากว้างยาวควรวิกาบเป็นอย่างต่ำข้อนึง อ้า น, าน้นทิศตัวให้เองแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็อีกข้อหนึ่งสำคัญอยู่ว่าเป็นของของตัวข้อที่สี่คือผู้ที่ได้ไปเป็นอุปสัมบันิทิศตัข้อที่ห้าชิงเอาเองหรือว่าให้ผู้อื่นชิงเอาด้วยความโกรธพร้อมด้วยองค์ห้านี้จึงเป็นนิจกักขีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับอคินนาทานสิกขาบทแต่ยกเวทนาในสิกขาบทข้อนี้เป็นทุกขเวทนา ทีกาบทขนเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวแต่ว่าอาทินาทานสมุทฐานนั้นกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นสจิติกะเป็นสัญญาวิโมกแล้วก็เกิดจากการกระทำจริยธรรเป็นโลกวัชชะอกศุศลจิตเวทนาสามเลยแต่ว่าในที่นี้ก็ทิงอาจีวรกับขืนมาเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวต่อไปในสุตตะวินยัติสิกขาบทที่หกความว่าพี้กตุใดขอได้ทั้งหกอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเอง แต่คนที่ไม่ใชญาติไม่ใช่ป ร, รณาให้ชั้หูกผู้ไม่ใชญาตไม่ใช่ป ร, รณาทอชีวรด้วยในประโยคที่ชั้หูกจัดอยู่นั้นให้เกิดอบัตทุกกฎครั้งทอแล้วกว้างยาวได้ปัดฉิมประมาณก็คือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วเนี่ยควรวิตรับเนี่นะถ้านั้นเป็นนิสสคีต้องอบัตพาจิตตีส่วนข้อที่เจ็ดมหาเปตะการสิขาบทที่เจ็ดความว่า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 อาเจกจีวรนคือผ้ารีบผ้าดวนได้แก่คนผู้จะไปการสงครามหรือว่าคนผู้จะไปอยู่นานและคนไข้หนักและหญิงมีครรภ์และคนที่มีศรัทธาหรือความเลื่อมใสเกิดขึ้นใหม่ถาวายผ้าจำนำภรษาแก่สงในวันขึ้นห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดถ้าเช่นนี้พิจุได้ส่วนมาแต่สงแล้วถ้าภิจุได้มาจากสงพึงจำหมายไว้ เพื่อว่ารรษาขาดจะได้คืนให้แก่สงไปเพราะาถ้ารษาขาดมัไม่ได้ผ่านี้ถ้าภาษาไม่ขาดเก็บไว้จนสิ้นจีวรการไม่วิจักอธิษฐานก็ได้ถ้าเก็บไว้ให้เกินจีวรการไปถ้านั้นก็เป็นนิสตักขีต้องอัปบาทป่าจิตตีจีวรการนั้นก็ตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดไปจนถึงเพทนเดือนสิบสองแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดไปถึงเพทนเดือนสิบสองันนี้ไม่ได้กรานกถินเป็นเดือนหนึ่ง ถ้าได้กรันกระถินไปก็ถึงเพนเดือนสี่เป็นห้าเดือนอันนี้ชื่อว่าชิวรก า, ารสามารถที่จะเข็ไปได้เป็นผ้าอเจกจุวอนผ้ารีบด่วนต่อไปสาสังกัดสิกขาบทที่เก้าความว่าเมื่อพร้อมด้วยองค์ีแล้วพระองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุฝากไตรชีวอนไว้ในบ้านก็แลองค์ีนั้นคือภิกษุเข้าภูริมาพรษาเขา้ารรษาต้นเขา้าจำพรษาต้น ได้ปรนนาในวันมหาปรณนาเป็นองค์ที่หนึ่งตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือนสิบเอ็ดจนถึงเพลนเดือนสิบสองชื่อว่ากัตติกะมาศเดือนหนึ่งตื่นเวลาเดือนหนึ่งของรรษาเนั่นแหละนี้เป็นองค์ที่สองอารันยิกาเสนาสนะควรประมาณคือวัดแต่เขตบ้านมาจนถึงเขตวัดได้ห้าร้อยชั่วธนูคือคิดเป็นยี่สิบห้าเส้นเป็นอย่างต่ำเป็นองค์ที่สามก็คือ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 เปนอาสนะประกอบด้วยความรังเกียจและภัยดังนี้เป็นองค์ที่สี่เมื่อพร้อมด้วยองค์สี่ดังนี้แล้วพิกจุฝากไตรจีวรไว้ในบ้านโครจรคามโดยรอบอารามบ้านใดบ้านหนึ่งไว้ได้เดือนหนึ่งถ้านั้นไม่เป็นนิสกีถ้าประกอบด้วยองค์สี่นี้ถ้ามีเหตุพิกษุออกจากอารันญิกเาเสนาสนะนั้นไปอื่นที่หมายถึงว่าอยู่ในอารามนั้นนะแต่ถ้าไปที่อื่นเนี่ยเพิ่งอยู่แรมท้านั้นได้เพียงหกคืนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเธออยู่ปราจากผ้านั้นยิ่งกว่าหกคืนขึ้นไปเนี่ยไม่กลับมายังอารัญยิกาเสนาสนะหรือบ้านที่ไว้ผ้านั้นในภายในหกราตรีอรุณที่เจ็ดขึ้นมาผ้าที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นนิสสกีต้องอาบัาติปาจิตตีเว้นไว้แต่พิจุที่เป็นไข้ได้ส ม, มุติการอยู่ปราจากไตรชีวรเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในวัดตาอารัญยิกเสนาสนะนั้นก็อยู่ปราจากผ้าได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพรว่าไอ้สง ังษาแต่ว่าถ้ายิ่งกว่านั้นแล้วเนี่ยไปในที่อื่นแล้วไม่อยู่ในวัดนั้นก็อยู่ได้แค่หกราตรีเท่านั้นต่อไปสิกขาบทสุดท้ายปริตรสิขาบทที่สิบความว่าพิสุรู้อยู่ว่าลาบคือปัจจัยทั้งสี่จิวานบินบากเสนาสนะที่ดานาปัจจัยโดยที่สวดแม้ก้อนจุรลและไม้สีฟันและได้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 ลาบเขาน้อมไปแล้วแก่สงพิสูสงสัยอยู่น้อมมาเพื่อตนประดีลาบขาน้อมไปแก่สงหมู่หนึ่งและน้อมไปแก่สงหมู่อื่นหรือแก่เจดีก็ดีดังนี้ต้องทุกกฎถ้าน้อมไปแก่สงหมู่อื่นลาบขอถวายแกสงหมู่หนึ่งแต่ว่าน้อมไปยังสงหมู่อื่นหรือว่าเจดีบุคคลก็ต้องบัดทุกกฎลาบขน้อมไปแกเจดีองหนึ่งแล้วพิสุน้อมไปแกเจดีอื่น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 ลาบเขาน้อมไปแล้วพิกูจน์สำคัญว่ายังไม่ได้น้อมไปและน้อมมาเพื่อตนเพื่อผู้อื่นประดีถ้าสําคัญว่าไม่ได้น้อมไปไม่จองอบัตหรือว่าถ้ายกถามว่าข้าพเจ้าจะให้ในที่ไหนดีพิกูจนกล่าวว่าทายทันของท่านจะพึงได้เป็นเครื่องบริโภคเป็นเครื่องบริขารและตั้งอยู่ได้นานในที่ใดก็ดีหรือจิตของท่านเลื่อมใสในที่ใดประดีท่านจงให้ในที่นั้นเถิด ลาวดังนี้กด็ดีที่จูบ้าเป็นต้นก็ดีลาวนี้ไม่เป็นอ ბ ัตสิขาบทตข้อนี้เป็นอนานติกะใช้ให้เขาน้องไม่เป็นน้อมเองถึงจะเป็นมีองค์สามก็คือลาบทายกน้อมไปแล้วในสองข้อหนึอันที่ 2, สองตู้แล้วน้อมมาเพื่อตนข้อที่สามก็ได้มาพร้อมที่องค์สามนี้จึงเป็นนิสักีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนอธินนาทานสิขาบทก็คือมีสมุทฐานสาม กายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเกิดจากการทําเป็นกิริยาแล้วก็เป็นโลกวัชชะเป็นโลกวัชชะส จ, จิตกะเป็นสัญญาวิโมกเป็นกายกรรมวจีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามอันนี้ก็ท้าสมันจบตาติโยวโคจบวัคที่สามและจบนิสกิยปาจิตตี ด, ด้วยจะขึ้นสุธิกะปาจิตตีก็ไว้ต่อในวันตุ่งขึ้นขอให้ท่านมีศรัทธามีปีติประโมดอบรมกายจิตฐา เพื่อที่จะบรลุอริยสัจธรรมโดยอาศัยศีลเป็นฐานอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นบาตรเบื้องกลางแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การอบรมิพัฒนาปัญญาขอยใต้ใบรรุอริยสัจโดยชั่วกันไริเทินสาธุสาธุสาธุ